เทสนาเรื่องปุขละบัญญัติร้อยห้าสิบข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญอีกประการหนึง่งเทสนาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในเรื่องปุขละบัญญัติที่นับว่ายอดเยี่ยมบุคคลเจ็ดจำพวกนี้คือหนึ่งอุพโตภาควิมุตตคือผู้หลุดพ้นทั้งสองส่วน 2. ปัญญาวิมุตตคือผู้หลุดพ้นด้วยปัญญา 3. กายสกีคือผู้เป็นพยานในานามกาย 4. ทิฏฐิปั ต, ตะคือผู้บรรลุสัมมาทิฏฐิ 5. สัทธาวิมุตตคือผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธา 6. ธรมมานุสารีผู้เล่นไปตามธรรม 7. จสัทธานุสารีคือผู้เล่นไปตามศรัทธา แต่พระองค์ผู้เจริญนี่คือเทศนาอันยอดเยี่ยมในเรื่องปุคละบัญญัติ